50 languages. 96 t y m b a t a r u Kam santi san. Sambandhavyaya garu. Muru. Di chan. Jat t u n tanti. t i nalika pluk d n g ก๊ดีอาราดาคารันเตหดดัตตักช น, นานัยดอุตเเนดฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ น, นันอูคับกูยันดตักช น, นานันาเอสุ ต, ตเดดิฉันจะเลิกทางานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบนันานเวัตวาาต นานูเคลสมาร์ดูดันนูนิลลิสุดเตนคุณจะโทรมาเมื่อไหร่อย่าวาก่าฟอนมาดุตีทันทีที่ดิฉันมีเวลาวันดุกชนะสมัยอดริตาตักชนะมาร์ดุตเตนเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาอวันูสมัยศิกกะตักชนะฟอนมาร์ดุตตานี คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่นิวุยสุสมลสมาดุตริรดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้นันเกศาดุษุลดุเตเดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ น, นันอารุกย์วากิุษุศุก ล, กลสมาดุต เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานอาโน่เคลื่สมาดูดันนบิดตู้หาสิย ล, ลีมลกิดดานเเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทากับข้าวอาลูอกมาดูดันนบิดตดินปตริกเกโวดุติดา่าเลเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านอาโน่มานเกฮกูดรบดุลู म ัดงเดียลีุรติดานเท่าที่ดิฉันทราบป้านเขาอยู่ที่นี न न ่นาเติลดิรุบันเวนยิลวาสสุตานเท่าที่ดิฉันทราบพรรยาของเขาไม่สบายนาเลดิรุบันอาเดตีอานาโรกยดินดบลลุติดดาเลเท่าที่ดิฉันทราบ เขาตกงานนนดเตวูนิรุตย ogi ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะ น, นั้นดิฉันก็จะตรงเวลานานูบาลตดวาเดอไมดิรสิสมัยบันิุติเดดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา นั่นเัสติปปโฮย์ทูไม่ดดสรีอาดสมัยเกบันทิรุติเดดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลานั่นเดาริศิลลล่าไดรสรีอสมัยยัเกบบันิรุติเด